นักโทษหญิงในเรือนจํา ส, สัมผัสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านโดยคุณวีนะครับทางเราต้องขอขอบคุณมากที่กรุณานำเรื่องราวชีวิต และประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาแบ่งปันให้กับแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนได้รับฟังกันหลายคนอยากจะลืมอดีตที่ขมขื่นแต่บางคนก็อยากจะนำอดีตนั้นมาบอกเราเพื่อเตือนสติให้กับผู้ที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่และกำลังจะก้าวเดินไปในทางที่ผิดจนสุดท้ายต้องสูญเสียอิสรภาพไปไม่ว่าจะน้อยหรือมากหรือไม่ ก็อาจจะพบจุดจบที่ร้ายแรงมากกว่านั้นก็เป็นได้และเรื่องนี้หากแอดมินถ่ายทอดออกมาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณบีได้เล่าว่าเรื่องที่จะเล่านี้เป็นประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัสและบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสเลยเราชื่อวีย้อนกลับไปเมื่อสมัยปีพศ2555 ปีนั้นเป็นปีที่ทางรัฐบาลปราบปรามยาเสพติดมีผู้ค้าหลายรายโดนจับและหนึ่งในนั้นก็คือวีเองเราถูกจับและคุมตัวไปยังเรือนจำแห่งหนึ่งทางภาคเหนือวันแรกที่เราได้ก้าวเดินเข้าไปหลังกำแพงนั้นก็มีความรู้สึกรับรู้ได้ทันทีเลยว่าที่นี่ต้องมีอะไรอยู่แน่ๆ แ, และมีมากเสียด้วย โดยปกติเราเป็นคนมีสัมผัสทางพวกนี้อยู่แล้วบวกกับตอนที่อยู่ข้างนอกก็เป็นคนเล่นของด้วยสถานที่ที่เราเข้าไปแต่เดิมมันเคยเป็นคุ้มเก่าของใครสักคนที่มีเชื้อเจ้าอยู่และได้ถูกแปลสภาพมาเป็นที่คุมขังคนกระทำผิดในวันแรกที่เราเข้าไปทุกอย่างก็เป็นปกติดีอาจจะเป็นเพราะว่า เราอดหลับอดนอนจากโรงพักมาก็เป็นได้พอมานอนที่สบายสบายก็หลับเป็นตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่จะเปิดไฟนอนกันคนที่เข้าไปแรกๆจะต้องกักเชื้อก่อนโดยจะได้อยู่ห้องแยกที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดคนนอนประมาณย0สิบคนได้ถ้านอนเบียดชิดๆกันที่ห้องกักเชื้อนี้เขาจะให้อยู่เจ็ดวัน ก่อนที่จะออกไปแดนแรกรับเมื่อย้ายเข้ามาอยู่แดนแรกรับคืนแรกผ่านไปทุกอย่างก็เป็นปกติดีแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นในคืนที่สองเวลาเที่ยงคืนขณะที่เรานอนอยู่ที่ตำแหน่งทางเข้าห้องตรงกับประตูพอดีตอนนั้นเรากำลังเคลิ้มจะหลับก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะมีความรู้สึกว่า เหมือนมีใครเอาลูกอะไรสักอย่างคล้ายคลลูกมะพร้าวโยนมาใส่ท้องของเราดังตุบเราจุกและตกใจมากพอลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครทุกคนหลับกันหมดระหว่างที่เรากำลังงงและสงสัยอยู่นั้นก็มีเสียงลูกกุญแจพวงใหญ่ดังกระทบกันดังมาไกลๆเราจึงมองไปทางต้นเสียงนั้นผ่านทางช่องประตู ก็ปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธอรูปร่างผอมบางผิวขาวซีดใส่ชุดผู้คุมแล้วก็จ้องมาที่เราเธอพูดกับเราด้วยน้ำเสียงดูดดนันและดังมากเก่งนักเลยมึงอนะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแต่ที่น่าแปลกก็คือทั้งทั้งที่ผู้คุมหูดเสียงดังขนาดนั้นแต่ทำไมไม่มีใครตกใจ หรือตื่นขึ้นมาเลยแม้แต่คนเดียวตอนนั้นเราก็งงและสงสัยมากว่าที่เขาพูดหมายความว่ายังไงเราไปทำอะไรให้ถึงมาคู่เราแบบนี้ด้วยความเป็นน้องใหม่ที่ยังไม่รู้จักธรรมเนียมข้างในว่ายังใช้ระบบทาตอยู่เลยพูดออกไปว่าเจอก็เจอกูไม่กลัวมึงหรอกพอเราพูดจบ พีเอืองที่นอนอยู่ท้ายห้องกระลุกขึ้นแล้วตะโกนมาว่าเราคุยกับใครเราหันไปบอกกับพีเอืองว่าคุยกับผู้คุมที่ยืนอยู่หน้าห้องไงพีเอืองทำหน้าตกใจแล้วบอกกับเราว่าเออเออลับๆับมึงอ่ะเดี๋ยวก็เจอดีหรอกแล้วพี่เอืองก็รีบล้มตัวลงนอนคลุมโปงในทันที เราจึงหันกลับมาหาผู้คุมอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีใครหยุดตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าผู้คุมกลับไปตอนไหนทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงกุญแจกระทบกันเหมือนตอนแรกเรางงเป็นไก่ตาแตกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็นอนต่อพอเช้ามาเราก็สวดมนต์แล้วลงไปอาบน้ำและกินข้าว ในขณะที่เรากำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นพี่เอื้องกับพี่โบก็เดินเข้ามาแล้วถามเราว่าเจอรับน้องใหม่ละสิเมื่อคืนเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่เอื้องพูดที่นี่จะใช้คำเรียกแทนผู้คุมว่านายพี่เอื้องถามเราว่าเมื่อคืนเจอนายหรอที่ตัวขาวๆผอมๆหรือเปล่าเราก็บอกไปว่าอา้าวเมื่อคืนพี่เอื้องไม่เห็นหรอ เขายืนว่าให้หนูจนพี่เอื้องตื่นมาเรียกนั่นแหละพี่เอื้องตอบกลับมานั่นไงเจอเขาให้แล้วเราแปลกใจในสิ่งที่พี่เขาพูดก็เลยถามว่าทำไมมีอะไรเหรอพี่พี่เขาก็เลยเล่าว่าเรือนจำแห่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นสถานพยาบาลของเจ้านายมีคนตายก็เยอะไม่แปลกที่จะมีผี ที่เราเจอนายคนเมื่อคืนเขาเคยคมที่นี่มาก่อนวันหนึ่งเขาป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาอยู่นานก็ไม่หายสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ยอมไปไหนด้วยที่ว่าเป็นห่วงคนรักที่เป็นผู้ต้องขังซึ่งเธอเป็นทอมอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้ด้วยเมื่อแกไม่ไปไหนก็ชอบรับน้องอยู่บ่อยๆ อ, ออกมาหลอกหลอนนักโทษ ป่วนเป็นไยๆไปและที่น่าช็อกไปกว่านั้นก็คือตรงที่เรานอนอยู่เคยมีคนเจอผีแล้วช็อกตายอยู่ตรงนั้นเมื่อได้รู้อย่างนี้คืนนั้นเราย้ายที่นอนเลยเพราะถึงเวลาเข้านอนก่อนนอนเราก็สวดมนเพื่อขอขมานายคนเมื่อคืนแล้วก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยเราอยู่อย่างสงบมาโดยตลอดจนกระทั่ง มีการย้ายผู้ต้องขังเกิดขึ้นผู้ต้องขังทั้งหมดถูกย้ายไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งที่ใหม่นี้เดิมเคยเป็นที่ขังของนักโทษชายนั่นแหละผู้ต้องขังถูกย้ายมาด้วยความทุลักทุเลคนที่ป่วยก็ต้องทนเนาเพราะยาไม่พร้อมต้องมีการจัดอะไรใหม่ทั้งหมดแม้แต่โรงงานฝึกวิชาชีพด้วยก็เช่นกันเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ออทุกอย่างเริ่มเข้าทีเรื่องราวน่ากลัวก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเนื่องจากที่คุมขังแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังนักโทษชายมาก่อนคนที่ตายส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายวิญญาณที่อยู่ที่นี่จึงเป็นผีหนุ่มที่อยากจะมาทักทายสาวๆตามประสาหนุ่มสาวเขาเจอกันเพียงแต่ว่าหนุ่มที่ว่านี้อยู่คนละพบกับพวกเรา ช่วงแรกๆที่เจอก็จะมาในรูปแบบเสียงบ้างเห็นเป็นเงาวับๆับแวมแหวม บ, บางแต่ที่เด็ดที่สุดจนต้องเอามาเล่ากันแบบขนหัวลุกปนเสียงหัวเรอ ก, ก็จะมีเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ได้เจอมากับตัวแล้วได้เล่าให้เราฟังเธอชื่อพีสมอยู่ที่ชั้นห้าเธอเล่าให้เรากับกลุ่มพี่ๆฟังว่าคืนนั้นขณะที่เธอกําลังนอนหลับอยู่ ก็ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมากถือว่าหล่อเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาตายตรงที่เธอนอนอยู่เธออึ้งไปสักพักแล้วเขาก็พูดต่อว่าพ อ, อนะของขาดมานานแล้วเป็นที่เข้าใจกันดีว่ามันหมายถึงอะไรด้วยความที่ปีสมก็ของขาดมานานแล้วเหมือนกันก็จัดไปแบบไม่รีรอ ตอนนั้นเธอไม่คิดกลัวหรือสงสัยอะไรเลยขอให้ได้ถึงที่ก็แล้วกันพี่สมพูดไปก็หัวเราะไปพวกเราก็หัวเราะด้วยเหมือนกันเธอพูดต่อว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็แซวพี่เขาไปว่าก็ได้แล้วนี่จากนั้นก็เฮฮากันไป หลังจากที่พี่ส้มเล่าจบเราก็เล่าเรื่องของเราให้พี่เขาฟังบางวันหนึ่งในห้องของเราขณะที่ตั้งวงนั่งคุยกันก็รู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำเลยหยิบกระดาษและปากกามาเขียนทำเป็นผีถ้วยแก้วเพราะในตอนนั้นสามารถเอากระดาษและปากกาขึ้นไปเขียนอะไรต่อมีอะไรได้รวมถึงพวกยาต่างๆด้วย พอเขียนกระดานผีถ้วยแก้วเสร็จก็หาสิ่งของที่จะนํามาทาเป็นถ้วยเมื่อไม่มีถ้วยจึงใช้ฝายายม่องแทนแล้วก็เริ่มเล่นกันแบบตามมีตามเกิดพวกเราเล่นได้กันสี่คนมีพี่อ้อยน้องผัดเจ๊อังแล้วก็ตัวของวีเองเจ๊อังเริ่มมันเชิญดวงวิญญาณทุกคนเอานิ้วชี้แตะไปที่ฝายายมอง หอมีดวงวิญญาณเข้าก็รู้สึกได้เจียงเริ่มถามคำถามว่าใครฝายามองก็ขยับไปที่ทอมนโทต่อด้วยคอระคังพวกเราหัวเสียกันมากเพราะมาันอ่านไม่รู้เรื่องมันแปลว่า อ, าอะไรก็ไม่รู้สักพักฝาก็ค่อยๆเคลื่อนไปหยุดอยู่ตรงที่พักเจียงเลยถามคำถามอีกว่าเป็นต่างด้าวเหรอ ฟ้าค่อยๆเคลื่อนไปที่คำว่าใช่เจ้กแก่จึงดาผีไปชุดใหญ่แล้วตบท้ายด้วยการเชิญหน อ, อแต่พวกเรายังไม่หยุดเล่นกันเพียงเท่านี้เชอังเชิญวิญญาณเข้ามาอีกคราวนี้เป็นวิญญาณของคนไทยสมใจอยาจึงถามคำถามไปแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ตายเพราะโดนจับแขวนคอแกหิวมาก ญาทํทำบุญมาให้ก็ไม่ถึงเพราะของที่ทำบุญมานั้นกองอยู่หน้าประตูใหญ่หมดจ อ, อกไปเอาก็ไปไม่ได้พวกเรารู้สึกสงสารมากพี่อ้อยเลยบอกว่าจะทำบุญไปให้จากนั้นก็เชิญดวงวิญญาณออกไปตอนนั้นเรารู้สึกว่าฝ้ายาหม่องรอนมากเหมือนมีใครเอาไฟมาจุดในนั้นจนน้องพัดน้ำตาคลอบอกว่า ไม่ไหวแล้วหนูร้อนนิ้วแสบนิ้วเจียงเริ่มเห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้ทุกคนเอามือออกพร้อมๆกันเมื่อดึงมือออกก็เห็นว่าตรงปลายนิ้วมือที่จิ้มของแต่ละคนมีรอยของยี่เทาติดอยู่พวกเราต่างตกใจรีบแยกย้ายไปล้างมือสวดมน์แล้วก็เข้านอนคืนนั้นเองเราก็ฝันว่า มีผู้ชายมาหาเราเขาคนนั้นหน้าตาตีมากหล่อแบบเกาหลีเขามานั่งยองๆอยู่ปลายเท้าของเราแล้วเอานิ้วชี้สะกิดหามเราว่าเธอเธอของขาดเราตกใจมากเอาแล้วไงนี่เรากำลังจะโดนแบบพี่ส้มหรือนี่เราคิดอยู่แต่ไม่ได้พูดมาออกมาเหมือนเขาจะรู้สิ่งที่เราคิดเขาจึงบอกว่า ไม่ใช่ของแบบนั้นหมายถึงยาเราจึงตอบเขาไปว่าอยู่ในนี้จะไปหาที่ไหนให้ได้เขาบอกว่าให้ไปค้นตรงนั้นตรงนี้แต่เราก็บอกไปว่าเราไม่ไปเรากลัวโดนจับได้เขาก็ทำน้าเศราแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นฝากไปบอกผู้หญิงห้อง405ด้วยว่าทำบุญไปให้บ้างอยากไปหา แต่ไปหาไม่ได้เชาทินห้องนั้นดุมากเราก็ตบปากรับคำไปเช้ามาเราก็ไปบอกผู้หญิงที่ห้องนั้นให้แล้วทำการไหว้พระทำบุญกรวดน้ำเท่าที่จะทำได้ให้กับเขาแล้วคืนนั้นเขาก็กลับมาอีกเพื่อมาขอบคุณเขาให้เลขหวยเรามาแต่เราก็ไม่ได้บอกให้พ่อกับแม่ที่มาเยี่ยม แล้วงวดนั้นก็ อ, อกสามตัวตรงไม่ขาดไม่เกินเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากแต่มันผ่านไปแล้วจะทำยังไงได้นี่เป็นเรื่องที่เราเจอในเรือนจำไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอีกเพราะที่เราอยู่นี้เป็นแค่ชั้นสี่โทษสองสาปีซึ่งหลังจากนั้นเราได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้นห้า ซึ่งมีนักโทษที่ได้รับโทษสูงอยู่ที่นี่กันทั้งนั้นและเราก็เจอผีหนักมากกว่าเดิมอีกด้วยสมัมผัสสยอง